แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นหน้าที่อันนี้นะไม่ว่าในภรษาหรือนอกภรษาก็เหมือนกันนะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างกันแต่ว่าความแตกต่างก็มีอยู่นะโดยเพราะาท่านที่เป็นนักบวชจนะเป็นพระหรือแม่ชี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 ก็จะพยายามอยู่ให้ได้ความความคิดที่จะเปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นย้ายไปที่นั่นที่นี่เนี่ยก็เป็นรานตัดไปได้นะคือไม่ต้องคิดเพราะว่าได้ลั่นวาจาไว้แล้วนะเรียกว่าอธิษฐานถ้าเป็นช่วงหนาพรรษาเนี่ยเราไม่มีธรรมเนียมไม่มีพิธีกรรมนี้นะก็เปลี่ยนใจได้ง่าย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 ท่านนั้นไม่พอนะต้องมาดูก่อนนะว่าชอบไหมเหมาะไหมนะมันจะช่วยขัดเกลากิเลส ข, ของตัวได้ไหมนะนะชอบใจอย่างได้ไม่พอนะหรือว่าถูกใจอย่างได้ไม่พอนะต้องดูว่าเออมันถูกต้องไหมเมื่อมาดูแล้วถึงค่อยตัดสินใจเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยก็ต้องเดินหน้าอย่าถอยหลังนะยิ่งอธิษฐานพรรษาไว้แล้วเนี่ยนะ ก็ไม่ต้องลังเลสงสัยแล้วคนเราถ้ายังไม่ตัดสินใจหรือยังไม่ประกาศแสดงเจตนาลมนะมันก็ยังมีช่องทางให้นะเลี้ยวหลังหรือว่าลังเลสงสัยเปิดช่องให้มีการเปลี่ยนใจได้ง่ายซึ่งนั้นมันก็ไม่เป็นประโยชน์นะสำหรับการปฏิบัติเพราะว่า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 เรื่องด่วนจริงๆแต่บางทีกิเลมนก็หาเรื่องได้นะอย่างบางคนเนี่ยนะตั้งใจว่าจะอยู่ให้ได้ทั้งภรษาแต่พออยู่ไปอยู่ไปสึกไม่ชอบรู้สึกว่ามันไม่คุ้นกับชีวิตความเป็นอยู่แบบป่าๆของที่นี่หรือว่ารู้สึกเหงานะ อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานเนี่ยมีเพื่อนเยอะนะพอมาอยู่คนเดียวในกุฏิไม่ค่อยมีคนชวนคุยก็เริ่มที่จะหาข้อแก้ตัวนะอยากจะออกนะอยากจะย้ายบางทีถึงกับอยากจะศึกก็มีก็มีนะมีข้ออ้างว่าจ ะ, อ, ะอ้างว่าแม่ไม่สบายอ้างว่าพ่อไม่สบาย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 แต่ที่จริงคาอธิษฐานในภาษาบาลีเนะี่ยมันไม่ได้มีความหมายแบบนี้เลยมันแปลว่าความตั้งใจมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอธิษฐานเป็นบา ร, รมีอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆบา ร, รมีก็แปลว่าความดีนะขั้นสูงนะไม่ใช่ความดีธรรมดาแล้วก็บา ร, รมีมันมีแค่สิบเท่านั้นแหละความดีมีมากมายนะ แต่ว่าบารมีมีแค่10นะทานศีลเนคัมมะปัญญาสัจจะวิริยะขันติอธิษฐานเมตตาอุเบกขาแต่และข้อแต่และข้อนี้ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆนะแต่เดี๋ยวนี้เราทำให้ความหมายของบารมีนี่ผิดเพี้ยนไปหลายข้อเช่นทานเนี่ยทานทานนี่แปลว่าให้นะสละไม่ใช่แค่สละอะ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 พระโพธิสัตว์ก็ให้ลูกสิษย์ไปตามไปหาอาหารมาให้แม่เสือแต่ว่าลูกสิษย์ก็ไปไกลเหลือเกินไม่กลับมาหรือว่าหาไม่เจอก็ไม่ทราบแม่เสือมก็กําลังจะขยําลูกนะท่านก็เห็นว่าอยากจะช่วยชีวิตลูกเสื อ, อไวนะ้แล้วก็ไม่อยากจะให้แม่เสือนี่ทําบาปทํากรรมนะก็เลยโดดลงไปเลยนะ โดดลงไปให้แม่เสือกินเป็นอาหารอันนี้เราปรมามัตถารมีเลยนะเป็นทานนบามีขั้นปรมัตคือสละ ช, นะชีวิตนะสรุปก็คือทานเนี่ยแปลว่าการให้การสละแต่นี้ทานแปลว่าอะไรทานแปลว่าเอาใส่ปากนะทานอาหารเนี่ยนะทานอาหารว่าเอาใส่ปากใช่ไหมคนละเรื่องเลยนะตรงข้างกันเลยทานบาลีแปลว่าให้สละออกไปนี่แต่ทานภาษาไทยเอาเข้าปากเอาใส่ท้อง อธิษฐานก็เหมือนกันนะอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายๆต้องต้องอ่าไม่ใช่การขอขอนี่มันง่ายมากแล้วมันทําให้กลายเป็นงอมืองอเท้าไปเลยคนไทย น, นี่อธิษฐานบ่อยจนทั่งกลายเป็นคนช่างขอนะขอไปหมดนะนะเทวดาขอพระพิคเนตขอจตุคามรามะเทพตอนหลังก็เริ่มขอชูชกแล้วนะมีการบูชาชูชกนะขอนะ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 หรือว่าพูดศัพท์แต่ว่าตามประเพณีแต่ว่าต้องต้งต้ ง, ต, งตั้งใจทำให้ได้ทำไมถึงต้องอธิษฐานบันซาเนี่ยก็เพราะว่าการที่อยู่ร่วมกันในอาวาสนะหรือว่าการที่อยู่ในวัดนร่วมกันตลอดสามเดือนไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งมากคนก็มากความคนเรานี่ก็มีความหลากหลายมีความแตกต่างทั้งนิสัยใจคอทั้งพฤติกรรม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 อยู่กับคู่รักนะไม่กี่ไม่กี่เดือนนะดยว่าแต่ไม่กี่ปีเลยนะไม่เอาว่าไม่กี่เดือนเนี่ยก็เบื่อแล้วนะยิ่งมาอยู่ป่าหรือว่ามาอยู่ในอาวาสอยู่ในวัดซึ่งโดยทั่วไปแล้วมันก็ไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าไหร่นะการที่ต้องหลีกเล่นจากสิ่งจากวิธีช่วทิทอำนวยความสะดวกนะบ้านติดแอนะมีโทรทัศน์ นะมีวิดีโอมีอินเทอร์เน็ตนะมีตู้เย็นในตู้เย็นนี่ก็มีของกินกินได้ตลอดเวลาทั้งน้ําอารมณ์ทั้งขนมหวานนะพอมาอยู่ในวัดนะซึ่งตามหลักมันก็ควรจะไม่มีอะไรมากนะโดยเฉพาะที่นี่นี่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากอยู่แล้วเนี่ยคนก็จะเริ่มกระสับกระส่ายโดยเฉพาะในช่วงวันแรกๆนะจะเริ่มรู้สึกว่า มันอยู่ยากนะเพราะว่าเวลามันเยอะแล้วก็ต้องอยู่กับกต้องอยู่กับตัวเองนะแต่ก่อนอยู่ในเมืองมีเวมีเวลามีโอกาสที่จะหนีตัวเองได้ง่ายนะชื่นคนในเมือง เ, องเนี่ยมันเป็นชื่นคนที่พยายามหนีตัวเองนะหนีไปพูดคุยกับคนนี้ไปเที่ยวห้างไปอยู่กับ Facebook a c e b o o k ไปอยู่กับ l ลน e ไปอยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่กับเกมออนไลน์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 โทรทัศน์วิดีโอพยายามให้เวลานะกับกายและใจของเรานะใจของเราก็เหมือนกันมาปรับได้ง่ายนะถ้าเราอดทนสักหน่อยต้องมีขันติธรรมนะมนุษย์เราเนี่ยนะไม่ว่ากายและใจเนี่ยมันมีความสามารถในการปรับตัวได้เร็วคนที่กินสามื้อมาตลอดชีวิตนะพอจะมาถือศีลเนี่ย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 มันก็เป็นช่วงเวลาที่เขาก็เริ่มปรับตัวทั้งกายและใจะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราถึงแม้ว่าช่วงนี้สําหรับคนที่มาใหม่จะรู้สึกว่ามันยังอึดอัดหรือว่ายัางรู้สึกเหงารู้สึกว้าวเวรู้สึกลําบากนะก็ให้ดูไปนะดูอาการเหล่านี้ไปอาการกายและใจพอให้เวลาผ่านไปสัก 3- าสวันหรือว่าอาทิตย์หนึ่ง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 ยิ่งนับถอยหลังยิ่งเป็นทุกข์เพราะเจริส่วบัญชาแล้วก็ใจที่มันไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยใจมันไปอยู่กับอนาคตเนี่ยมันเป็นทุกข์ง่ายอยู่แล้วให้รู้ทันนะตื่นขึ้นมาเนี่ยมาเริ่มนับถอยหลังแล้วพอตื่นขึ้นมา อ, อีกต้องสองเดือนกับอีกยี่ดวันเนี่ยบอคิดแบบนี้เข้านี่หอเหี่ยวเลยวางมางันลงซะนะลืมมันไปเลยแล้วเดี๋ยวจะพบว่าเวลาผ่านไปเร็ว ธรรมดานะช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยจะช้าสำหรับผู้มาใหม่น่จะรู้สึกมันช้าแต่เพิปุ๊บเดียวนี่เดือนหนึ่งละเพอ่มปุ๊บเดียวอีกทีออกพรรษาแล้วช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกนี่มันเวลามันจะผ่านช้ามากมันจะมันจะไปเคลื่อนช้ามากก็จะไปทุรนทุรายกับมันเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ไปสักพักจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วแต่ละวันแต่ละวันผ่านไปเร็วมากนะ เดี๋ยวเดินแรกก็จะผ่านไปแล้วปุ๊บเดียวเดี๋ยวเทที่สองเดียวที่สามอา้าวออกพรรษาแล้วแล้วถึงตอนนั้นก็จะเสียดายว่าไม่อยากออกไม่อยากไม่อยากศึกนะอันนี้เป็นธรรมดาเพราะว่าใจเราเนี่ยมันปรับตัวได้แล้วเนี่ยก็จะสบายอย่าว่าแต่พระเลยนะโยมก็เหมือนกันนะเคยมีโยมคนหนึ่งผู้ชายเนี่ยแกมาอยู่วัดด้วยความจำใจนะเพราะว่าหนีหนี้มา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 กวาดใบไม้รอบหอไตรทำไปทำไปเพลินนะผ่านไปหนึ่งเดือนนี่ขอบวชเลยนะขอบวชเลยเพราะรู้สึกว่าเออมันสงบฮะนี่ธรรมชาติของใจเลยเป็นอย่างนั้นนะกายของเราก็เหมือนกันที่เคยนอนดึกตื่นสายนะพอมาอยู่วัดก็นอนหัวข้ามตื่นเช้ามืดก็กลายเป็นปเรื่องธรรมดาไปให้เราต้องให้เวลากับกายและใจของเรานะ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 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ถูกใจเราบ้างนะการกระทําบางอย่างสาหรับเจ้าตัวเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับเราเนี่ยมันเป็นคําที่ไม่สุภาพเป็นคําเป็นคําที่ไม่มีหางเสียงนะคนพูดไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าคนฟังเนี่ยก็ไม่พอใจนะให้เราต้องต้องรู้จักมั่นคงนะอดทนต่ออารมณ์ต่อพฤติกรรม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 มันก็ทำให้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นไปได้ง่ายสมัยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเสด็จไปเยือนพระสาวกเนี่ยตอนนั้นพระสาวกอยู่กันสามรูปเองนะพระอนุรุท ธ, ธะพระนันทิยาพระกิมพินละตอนนั้นก็ปรีวิเวกกันนะอยู่ในป่าชื่อป่าโคสิงค์ารสาละวันนะก็เป็นป่าที่มีชื่อนะ ที่มีกล่าวถึงในปฏิบิติบกหลายครั้งพระองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมประโยคแรกที่พระองค์ถามก็คือว่าลำบากไม่พอทนไหวไหยบินทบาทลำบากหรือเปล่านะถามเรื่องถามเรื่องความเรื่องอาหารการกินก่อนนะเรื่องความกินความเป็นอยู่ทางกายภาพ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 เข้ากันได้เหมือนน้ำกับ น, น้ำนมไหมนะมองกันด้วยในตาที่เปลี่ยมด้วยความรักหรือเปล่านะท่านผู้เจ้าใช้คําที่ไพเราะมากนะมองกันด้วยในตาที่เปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาหรือเปล่านะทั้งสามท่านเนี่ยก็ตอบดีนะตอบว่าแม้กายของข้าพระองค์จะต่างกันนะแต่จิตใจก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่า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 สาการปฏิบัติเพราะถ้าพร้อมเพรียงกันแล้วนะนะไม่วิวาทกันไม่ใช่ไม่วิวาดกันเดียวนะชื่นชมกันด้วยนะมันก็จะทําให้เกิดบรรยากาศหรือว่าสิ่งว่าล้อมที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติลําพังแค่ไม่วิวาดกันเนี่ยยังไม่พอนะต้องชื่นชมกันด้วยนะชื่นชมกันนะอันนี้ก็เป็นก็เป็นแบบฝึกหัดของพวกเราได้เหมือนกันนะว่าคือนอกจากจะไม่วิวาทกันแล้วไม่ขัดแย้งกันแล้วเนี่ยต้องชื่นชมกัน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 ว่าตอนนี้ยังไม่ประมาทอยู่หรือเปล่านะหรือว่ามีความอุทิศกายและใจเพื่อการปฏิบัติหรือไม่ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าที่ระบวชมาก็เพื่อ น, นี้แหละนะเพื่อการปฏิบัติเพื่อและการที่เราเจะปฏิบัติให้ได้ผลเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทก็ต้องมีความขวนขวายมีความเพียร น, นะหลังจาก น, านั้นพระพุทธเจ้าถึงจะถามว่าแล้วได้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 ผลสำเร็จหรืออ น, นิสงการปฏิบัติเนี่ยยังไม่สำคัญเท่ากับว่าความเพียรพยายามขอให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีความขวนขวายนะทุ่มเทกายและใจนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญกว่าแต่จะทำงั้นได้เนี่ยก็ต้องอาศัยหมู่คณะนะผู้เจ้าจึงถามคำถามที่สองก่อนหน้าที่จะถามเรื่องความเพียรพยายามว่ามีความพร้อมเพียงกันไหมมีความพร้อมเพียงกันหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่เรามาอยู่ร่วมกันในที่นี้เนี่ยนะสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติของเราเนี่ยะจะเลยงอกงามหรือว่าทำให้เราเมีความมีความทุ่มเทนะคน้ายในการปฏิบัติก็คือหมู่คณะหมู่คณะสำคัญมากถ้าไปเจอหมู่คณะที่ดีนะก็ะทำให้เราเกิดความเพียรได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้ในมงคลสูดเนี่ยที่เราเพิ่งสวดกันเนี่เมื่อสักครู่เนี่ยสองข้อแรกเนี่ยจึงเป็นเรื่องของเพื่อนนะการไม่คบคนพานการคบบัณฑิตนะถ้าคบคนพานเป็นเพื่อนนี่ก็แย่เลยนะชีวิตเนี่ยเจริญได้ยากแต่ถ้าว่าเราคบบัณฑิตเป็นเพื่อนหรือว่ามีกัลยาณมิตรเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตของเราและการปฏิบัติของเราเนี่ยนะมันเป็นไปได้ง่ายขึ้น อย่างน้อยๆก็เริ่มต้นด้วยการมีกำลังใจในการปฏิบัติเพราะเพื่อนก็ทําเราก็มีกาลังใจที่จะทําอย่างนั้นบ้างพระเจ้าจึงตัดว่าเนี่ยกาลยานมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะเดี๋ยวในบทโซมเอร์ของเราเนี่ยจะมีบทหนึ่งเนี่ยท่านจะพูดเรื่องกาลยานมิตรเลยนะพระอ น, นุนเคยบอกว่ากาลยานมิตรเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระเจ้าตัดว่าอย่ากล่าวเช่นนั้นอา น, นุนกาลยานมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ พรหมาจรรย์ก็คือชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่เจริญงอกงามนะและการที่เรามาที่นี่เนี่ยนะไม่ว่าจะมาในเพศของพระแม่ชีหรือนักหรือว่าคารวาสเนี่ยเราก็มุ่งชีวิตพรหมจรรย์นะพรหมจรรย์ในที่นี้แปลไม่ได้แปลว่าไม่มีคู่นะแปลว่าโสตนะไม่ใช่นะพรหมจรรย์นี่แปลว่าชีวิตอันประเสริฐซึ่งมีการปฏิบัติที่ตั้งมันในธรรมถือศีลหก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้นะ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 ถามคำถามแรกกับทั้งสมท่านว่าบินทบาทได้ไหมลําบากหรือเปล่าความเป็นอยู่ลําบากเพียงใดเนี่ยข้อนี้ตัดไปได้นะที่นีนะ่ถึงแม้คนที่มาในเมืองอาจจะซื้อว่ามันไม่สะดวกสบายแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นลําบากนะวัดป่าสุขโตนี่ก็ผ่านข้อแรกนะไปได้อย่างไม่ยากนะเรื่องบินทบาทเรื่องความเป็นอยู่แต่ข้อที่สองเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันสร้างขึ้นเป็นเป็นภารกิจที่เราต้อง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 พอหมู่คณะไม่ไม่พร้อมเพียงกันเราก็เลยขี้เกียจเราก็เลยเฉยชาเนะี่ยไม่ใช่จริงอยู่นะหมู่คณะสาคัญมากแต่ว่าเราก็อย่าไปพึ่งหมู่คณะอย่างเดียวเราก็ต้องมีความเพียรของตัวเราเองด้วยไม่ใช่ไปรอว่าต้องให้หมู่คณะพร้อมเพียงก่อนแล้วเราถึงจะภาพเพียรขวนขวายปฏิบัติไม่ต้องรอทําเลยนะตั้งแต่คืนนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นะแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าผลหรือคุณนิเวศการปฏิบัติจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าสิ่งที่ชาวพุทธควสนใจคือประกอบเหตุให้ดีเมื่อทําเหตุให้ดีแล้วผลมันตามมาเองอย่าไปสนใจผลนะสนใจจดจ่ออยู่กับเหตุการประกอบเหตุให้ดีแล้วผลก็จะตามมาเอาล้วก็พูดกันเท่านี้นะสำหรับคํานี้